พระโยคาวาจอนเจ้าก็เป็นผู้มีสันดานขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องประาศจากมนทินไม่มีความรังเกียจต่อความประพฤติปฏิบัติดุดราชสีอันขาวบริสุทธิ์ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีเป็นปฐมปูณจจะบรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมผานธรรมดาว่าราชสีย่อมเที่ยวไปด้วยเท้าสี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 ได้อาหารในที่ใดก็บริโภคในที่นั้นพอแก่ประโยชน์จะได้เลือกเอาแต่เนื้อที่ดีๆนั้นหาไม่ได้ยะถามีคุรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็เที่ยวบินธบาตไปตามลำดับตรอกจะได้เลือกตระกูลหรือเลือกโพชนาหารหามิได้แสวงหาได้ในที่ใดก็บริโภคในที่นั้น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 อิตรีตเรนะปินดปาเตนะอิตรีตระปินดาปาตะสันตุทิยาจ่วันนวาทีนะจ่ปินดปาตะเหตุอเนสนางอปติรูปังอาปัจชติเป็นอาทิมีใจความว่าพิกเวดูรานะภิสุทั้งหลายผู้ทรงศีลบริสุทธ์ส้ำแดงกัสปะนี้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 เพื่อจะได้รักษาไว้ซึ่งตนดังนี้เรื่ององแห่งนกกระจอกประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองการตรัถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมประดันว่าอง์แห่งนกกระจอกอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า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 ปานดังนกเขาฉ น, นั้นนี่เป็นองค์แห่งนกเขาคํารบสองยุติด้วยพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่าปฏิสันลิโนพิคเวโยฆมาปัจชธาปัติสันลิโนพิเคเวภิขุปฏติสันลานาราโม О, ปฏิสันลานะระโตอิทังทุกขันติ ยถาภูตังปัานาติายังทุกขสมุทยโยติละายังทุกขะนิโรโทโติละายังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาติยถาภูตังปัานาติแปลความว่าพิกเวดูราณะสงฆ์ท่านจงปฏิบัติหาที่สงัดชมชานเถิดพระโยคาวจรเจ้าผู้ใด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 นิระเยพยสันตาสังนิพพาเนวิบุลังสุขังอุพยาเนตานิอัฏฐานิเทศิตพานิยคินาแปลว่าธรรมดาพระโยคาวาจรเจ้าพึงสำแดงบาปบุญคุณโทษโปรดเวนยชนทั้งปวงและพึงสำแดงทางพระนิพพานอันเป็นแก่นสารนำมาซึ่งสุขอันไพยบูณ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 องแห่งนกกระจอกองแห่งนกเขาองแห่งตะขาบองแห่งค้างคาวองแห่งปลิงองแห่งงูองแห่งงูเลือมเหล่านี้ท่านจัดเป็นวรรคหนึ่งดังนี้แหล